ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอากหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินิยะสังคหอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมมาคโมแปลเรื่องที่ยี่สิบเอ็ดปวารณาวินิชยกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการห้ามพัด คำว่าการประวารนาคือการห้ามได้แก่การที่พิสุกํำลังฉันโภชนะห้าอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ประวารนาคือห้ามโภชนะที่ทายกคนใดคนหนึ่งนำมาให้ก็การประวารนานั้นไม่ใช่สัตว์แต่ว่าห้ามอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่แท้ย่อมมีด้วยสามารถแห่งองห้าในการห้ามนั้นมีองห้าเหล่านี้คืออสนัง กำลังฉันอยู่หนึ่งโพชนังโพชนะอันควรแก่การห้ามปรากฏหนึ่งทายกัศะหัตถาเสดานังทายกผู้ให้ทานอยู่ในหัตถบาทหนึ่งอภิหาโรคือทายกน้อมถวายหนึ่งอภิหตสะปฏิเคปโปพิสุห้ามพัดที่เขาน้อมมาถวายด้วยกายหรือว่าด้วยวาจาก็าตามหนึ่ง ในองค์ห้านั้นคำว่าอสนางคือโภชนะที่พิษุฉัน้งังอธิบายว่าพิสุนั้นกำลังฉันอยู่บทว่าโภชนาะงคือโภชนะที่เพียงพอแต่การห้ามอธิบายว่าโภชนะมีข้าวสุกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะพึงห้ามมีอยู่หลายบทว่าดายากัสตะหัตต า, าเสธานังความว่า การที่ทายกถืออาโภชนะเพียงพอแก่การห้ามพัดอยู่ในโอกาสประมาณสองส่คืบบวว่าอภิหาโรได้แก่การที่ทายกผู้ยืนอยู่ในหัถบาทน้อมถวายด้วยกายสองบทว่าอภิหตัสสะปฏิเคโโปโดได้แก่การห้ามด้วยกายหรือวาจาซึ่งโภชนะที่เขาน้อมถวายแล้วอย่างนั้น การห้ามพัดย่อมมีด้วยอำนาจแห่งองค์ห้าด้วยประการดังกล่าวแล้วอย่างนี้แลสมจริงดังพระดำรับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอุบาลีการห้ามพัดย่อมมีด้วยอาการห้าอย่างคือ 1- การฉันปรากฏสองโภชนะปรากฏสทายกอยู่ในหัตตาบาสี 4. ทายกน้อมถวายหการห้ามพัดปรากฏ ในองค์แห่งการห้ามพัดนี้มีวิธิฉัยดังต่อไปนี้พึงทราบวิธีฉัยในคําว่าอัสนังเป็นต้นก่อนพิสูันโภชนะใดและห้ามโภชนะใดที่ทายกอยู่ในหัตถบาสน้อมถวายโภชนะนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นโภชนะเหล่านี้คือข้าวตุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อก็คือโภชนะห้าไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม บรรดาโภชนะมีข้าวสุขเป็นต้นนั้นที่ชื่อว่าข้าวสุกได้แก่ข้าวสุกที่เกิดจากข้าวสารแห่งธัญชาติเจ็ดชนิดก็คือข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวฟ้ามลูกเดือยหญ้ากับแก้บรรดาธัญชาติเจ็ดชนิดมีข้าวสาลีเป็นต้นนั้นชนิดแห่งข้าวสาลีแม้ทุกจำพวกชั้นที่สุดจนกระทั่งลูกเดือย ชื่อว่าข้าวสาลีชนิดแห่งข้าวเจ้าแม้ทุกชนิดชื่อว่าวีหิตในข้าวเหนียวและข้าวละบานไม่มีความแตกต่างกันชนิดแห่งมเมล็ดข้าวข้างต่างโดยข้าว้างสีขาวสีแดงและสีดำแม้ทุกชนิดชื่อว่ากังคุชนิดแห่งลูกดือยสีขาวแม้ทั้งหมดโดยที่สุดลูกเดือยของชาวเมืองในวงเล็บพวกข้าโพด ชื่อว่าวรกาหญ้ากับแก่ดำและตินะธัญชาติแม้ทุกชนิดเช่นหญ้าข้าวนกเป็นต้นชื่อว่ากูดารุสกะอาจารย์บางพวกกล่าวว่าก็ในจะพวกข้าวสาลีและลูกเดือยนี้ลูกเดือยและลูกเดือยของชาวเมืองอนุโลมเข้ากับธัญชาติจะเป็นพัญชาติหรือว่าธัญชาติอนุโลมก็ตามที พวกชาวบ้านเอาเข้าวสารแห่งธรรชาติทั้งเจ็ดชนิดดังกล่าวแล้วนี้หุงต้มหมายให้เป็นโภชนะอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเราจากหุงข้าวสวยหรือว่าเราจากต้มข้าวต้มหรือว่าเราจักวนข้าวปลายากเปรี้ยวเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าเมื่อพวกพิสุฉันพัฒน์นั้นจะร้อนหรือเย็นก็ตามรอยย่อมปรากฏในที่ควักเอาหรือตักเอาในเวลาฉันพัฒนั้น ถึงการสงเคราะห์เป็นข้าวตุกทีเดียวก็ให้เกิดการห้ามพัดถ้ารอยไม่ปรากฏถึงการสงเคราะห์เข้าเป็นยาคูคือพวกข้าวต้มไม่ให้เกิดการห้ามพัดเพราะฉะนั้นการห้ามพัดนี้ก็สําหรับพวกโภชนะห้าซึ่งถ้าเป็นข้าวสุกข้าวสุกก็หมายถึงข้าวสวยหรือว่าข้าวปลายาที่แค่นคือไม่เหลวเหลวเหมือนกับข้าวต้มถ้าเป็นพวกยาคูพวกข้าวต้มเหล่านี้ ตักแล้วรอยไม่ปรากฏพวกนี้ก็แม้ห้ามก็ไม่เป็นอันห้ามพัดข้าวปลายาหรือว่าข้าวยากรเปรี้ยวซึ่งผสมด้วยใบไม้ผลไม้และหน่อไม้แม้อันใดพอยกลงจากเตายัางร้อนอยู่อาจจะกรอบดื่มได้แมในโอกาสที่มีมือควักเอาก็ไม่แสดงรอยให้ปรากฏยากรเป็นต้นนั้นไม่ให้เกิดการห้ามพัด เพราะว่ารอยที่ตัดนั้นไม่ปรากฏพอตัดลงไปมันก็เรียบเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นน้าแต่ถ้าเมื่อไอร้อนหมดไปเย็นลงแล้วถึงความแค่นเข้าแสดงรอยให้ปรากฏกลับก่อให้เกิดการห้ามพับได้ความเป็นของเหลวในเบื้องต้นคุ้มอาบัตไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันแท่นหรือว่ามันเนืดแล้วตัดลงไปแล้วก็รอยปรากฏ อันนั้นก็ถ้าห้ามพัดก็เป็นอันห้ามแม้ถ้าเขาเติมนมส้มและเปรียมเป็นต้นลงไปแล้วใส่ใบไม้ผลไม้และหน่อไม้เป็นอันมากลงไปเพิ่มข้าวสารลงไปไม่เพียงกับมือเดียวถ้าในเวลาฉันมีรอยปรากฏก่อให้เกิดการห้ามพัดในนิมันตะนพัดก็คือพัดที่นิมนต์ไม่มีข้าวยาคูชาวบ้านเทน้าข้าว และนมสดลงไปในพัทด้วยตั้งใจว่าจาักถวายยาคูแล้วถวายว่านิมนต์ท่านรับยาคูถึงข้าวยาคูจะเป็นของเหลวก็จริงแต่ก็ก่อให้เกิดการห้ามพัดเหมือนกันก็เพราะว่าไม่ใช่เป็นข้าวยาคูจริงๆเขาเอาอาหารเอาพัดมาแล้วก็เอานาข้าวนมสดเทลงไปเพื่อจะให้เป็นข้าวยาคูก็ถ้าว่าพวกเขาใส่ข้าวสก ลงในน้ําที่เดือดคลั่นเป็นต้นต้มถวายโภชนะนั้นก็ถึงการสงเคราะห์เข้าเป็นข้าวยาคูเหมือนกันเขาใส่ปลาและเนื้อลงในพัดแม้ที่ถึงการสงเคราะห์เข้าเป็นยาคูนั้นหรือในยาคูอื่นใดถ้าชิ้นปลาและเนื้อหรือเอ็นปรากฏแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันผักกาดยาคูนั้นก่อให้เกิดการห้ามพัดด้วยอันนี้ ถ้าเป็นข้าวต้มหรือยาคูเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องไม่มีชิ้นเนื้อชิ้นปลาให้ปรากฏหมายถึงว่ามันละเอียดก็คงประเภทพวกโจ๊กอาหารที่มีรสล้นล้วนหมายถึงว่าเป็นน้ำล้นล้วนหรือว่ายาคูมีรสก็คือเป็นน้ําไม่ให้เกิดการห้อมพัดแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นชิ้นเช่นถ้าเป็นโจกก็หมายถึง มีชิ้นหมูชิ้นตับอะไรต่างๆตัวนี้ก็ทำให้เกิดการห้ามพักเหมือนกันแล้วก็โจกถ้าเกิดมันแค้นก็คือตักแล้วมันเป็นรอยเหมือนก็กะต้มที่น้ําน้อยอันนั้นก็ทำให้เกิดการห้ามพักได้เหมือนกันแม้พัดที่ชนพวกใดพวกหนึ่งทำด้วยวัตถุมีผลขุยไผ่เป็นต้นอย่างอื่นยกเว้นข้าวสารแห่งธรรมชาติที่กล่าวแล้วเสียหรือด้วยเง่ามันและผลไม้ ย่อมไม่ก่อให้เกิดการห้ามพัดจะปวยกล่าวไปใหญ่ถึงยาคูขั้นแห่งผลขุยไผ่เป็นต้นแต่ถ้าเขาใส่ปลาและเนื้อลงในยาคูขั้นนี้ทำให้เกิดการห้ามพัดได้ในมหาปัญจรีกล่าวว่าแม้พัดเพื่อประโยชน์แก่ปุกผิดคือขนมก็ทำให้เกิดการห้ามพัดท่านเรียกก้าวสารที่ใส่ลงในน้ำร้อนเดือดนึ่งตุนให้สุก เพื่อประโยชน์แก่ผู้กินปุกผิชื่อว่าพัทเพื่อประโยชน์แก่ปุกผิก็ถ้าตาข้าวสารเหล่านั้นให้แห้งแล้วฉันควรอยู่ข้าวสารเหล่านั้นไม่นับว่าเป็นขนมแห้งและไม่นับว่าเป็นพัทเลยแต่พัทที่เขาทำด้วยข้าวสารนึ่งเหล่านั้นจัดเป็นการห้ามพัททีเดียวจนทั้งหลายทอดข้าวสารเหล่านั้นในเนยใสยและน้ามันเป็นต้น หรือทําเป็นขนมไม่ห้ามพัดและทําเป็นขนมก็อาจจะเป็นพวกข้าวเหนียวอามาทอดข้าวเหนียวหน้าหน้าตังเมอะไรตัวเนี้ยข้าวเม่าก็ดีขนมแห้งก็ดีข้าวสวยที่ทาจากข้าวเม่าเหล่านั้นเป็นต้นก็ดีไม่ทําให้ห้ามพัดขนมกุ้ม่าที่เขาทําจากจําพวกข้าวเหนียวชื่อว่าขนมตดขนมกุมม่าที่เขาทาขํ า, า, มม า, ทาทจากวัตถุอื่นมีถั่วเขียวเป็นต้น ไม่ให้เกิดการห้ามพัดขนมแห้งที่เขาทําจากจําพวกข้าวสาลีข้าวเจ้าและข้าวเหนียวชื่อว่าสัตตุจนทั้งหลายขั้วเมล็ดข้าวฟ่างลูกเดือยและหญ้ากลับแก่แล้วตําบ่อโปรยฝัดแกลบออกแล้วตําใหม่ให้ละเอียดเข้าทําให้เป็นแป้งถ้าแม้วัตถุนั้นยังติดกันอยู่เพราะว่ายังสดก็ถึงการสมเคราะห์ข้าเป็นขนมแห้งทีเดียว เขาบทข้าวสารเจ้าที่คั่วให้สุกกรอบถวายแป้งแม้นั้นก็ถึงการสงเคราะห์เข้าเป็นสัตว์ตุะว่าขนมแห้งเหมือนกันส่วนข้าวสารแห่งข้าวเจ้าที่เขาคั่วให้สุกเสมอกันหรือแห่งข้าวกล้องที่ไม่ได้คั่วหรือข้าวสารที่คั่วแล้วทั่วไปไม่ห้ามพัดเพราะฉะนั้นพวกข้าวต่างๆนี้ก็มีกฎธรณีทางห้ามพัดไม่ห้ามพัดก็ต้องจดจาให้ได้ แต่แป้งข้าวสารเหล่านั้นห้ามพัดถ้าเป็นแป้งข้าวสารนี้ห้ามพัดได้แม้รำของข้าเจ้าที่เขาคั่วให้เกลี่ยแล้วก็ห้ามพัดได้ส่วนรำแห่งข้าวสารที่เขาให้สุกเสมอกันหรือสุกทอะแดบดบไม่ทำให้เกิดการห้ามพัดเข้าตอกหรือเข้าสวยและขนมแห้งเป็นต้นที่เขาทำจากข้าวตอกเหล่านั้นย่อมไม่ทำให้เกิดการห้ามพัด แป้งที่ขั้วแล้วหรือของเคี้ยวล้วนล้วนชนิดใดชนิดหนึ่งก็ไม่ทําให้ห้ามพักแต่ของเคี้ยวที่ใส่ปลาและเนื้อมีปลาเนื้ออยู่ข้างในก็ดีสัตตุแฉะเะคือก้อนขนมแห้งยังไม่อบ ก, ก็ดีย่อมทําให้เกิดการห้ามพัดส่วนปลาและเนื้อปรากฏชัดแล้วก็วคือทำให้ห้ามผักได้แน่นอนแต่มีความแปลกกันดังต่อไปนี้ ถ้าเมื่อพิกูุน์กำลังดื่มยาคูชาวบ้านถวายชิ้นปลาหรือชิ้นเนื้ออย่างละสองชิ้นมีขนาดเท่าเมล็ดยาคูนั่นแหละในภาชนะเดียวกันหรือในต่างภาชนะกันถ้าพิกูุนไม่ฉันชิ้นปลาเนื้อเหล่านั้นห้ามโภชนะอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นซึ่งเพียงพอแก่การห้ามพัดไม่ชื่อว่าเป็นการห้ามพัดเพราะว่าไม่ได้ฉันชิ้นปลาชิ้นเนื้อฉันแต่ยาคูอย่างเดียว จากสองอย่างนั้นอย่างหนึ่งเธอฉันแล้วย่างหนึ่งยังอยู่ในมือหรือในบาตรถ้าเธอห้ามบังษาอื่นชื่อว่าห้ามพัดก็คือจะฉันตาหรือว่าจะฉันเนื้อยนใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าห้ามบอกว่าพอแล้วพอแล้วโยมถึงอว่ายกมือห้ามก็จะไปฉันอาหารอย่างอื่นอีกไม่ได้ถ้าลุกจากที่นั้นแล้วนะถ้ายังนั่งฉันอยู่ก็นั่งต่อไปอันนี้ก็มีประเพณีนะก็คือถ้า ฉันแล้วแล้วก็โยมเขาก็เอาอาหารเข้ามาอัมค่าอามาถวายอีกถ้าเกิดบอกว่าพอแล้วหรือว่าห้ามแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็ฉันได้เรื่อยนะแต่ถ้าลุกจากที่นั้นแล้วจะไปฉันอาหารอื่นอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าห้ามแล้วนี่เมื่อห้ามแล้วก็ถือว่าเป็นการเลิกแล้วล่ะว่าต้นเหตุนี่ไปฉันแล้วก็ห้ามพักแล้วก็ลุกไปแล้วก็ไปฉันที่อื่นอีกพวกพายกเขาก็ไปคุยว่าเขาได้เลี้ยงพระตาหารแต่พระภิกษุ พวกชาวบ้านที่ประวิตรุไปฉันที่นั่นก็ามาเลยบอกว่าเลี้ยงไม่อิ่มแล้วมั้งสงสัยจะเลี้ยงไม่อิ่มเพราะว่ามาฉันที่บ้านเขาด้วยเนี่ยก็ทําทให้ญาโยมก็เสื่อมความเลื่อมใสก็ฉะนั้นข้ามพัดแล้วก็ไม่ควรที่จะไปฉันที่อื่นอีกยกเว้นแต่ว่าให้ทําวินัยกรรมก็สามารถที่จะฉันได้อีกหรือว่าฉันอาหารที่เหลือจากผู้ป่วยอาหารที่เป็นเดนของผู้ป่วยเนี่ยเอามาฉันได้ทําวินัยกรรมให้เป็นเดนก็เอามาฉันได้ ถ้าฉันอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเอาชิ้นปลาชิ้นเนื้อมาถวายที่สูบ ด, ดื่มยาคูอยู่ถ้าเกิดไปฉันอย่างใดอย่างหนึ่งจากสองอย่างแล้วก็ชื่อว่าเป็นการห้ามพัดถ้าห้ามอาหารที่ก็เอามาถวายแล้วแล้วก็ห้ามลุกจากที่นั้นแล้วก็ไปฉันอีกไม่ได้แล้วก็เป็นการห้ามพัดทั้งสองอย่างเธอฉันหมดแล้วก็คือทั้งปลาทั้งเนื้อ ในปากแม้เท่าเมล็ดพันธุากาศ ก, ก็ไม่เหลือถ้าแม้เธอห้ามบางสาอื่นไม่ชื่อว่าห้ามพัดเพราะว่าอาหารที่ยังมีอยู่ในบากหรือว่าในมือถ้ายังมีอยู่ตรงนั้นแล้วก็ห้ามถึงจะเป็นอันห้ามต้องเข้าองค์ห้าก็คืออาหารยังปรากฏอยู่โภชนาอยังปรากฏอยู่ถ้าเกิดฉันเข้าไปในปากหมดแล้วแล้วก็ห้ามพัดอันนี้ไม่เป็นอันห้าม ทั้งสองอย่างเธอฉันหมดแล้วในปากแม้เท่ามาได้พันประกาศก็ไม่เหลือถ้าแม้เือห้ามบางสาตร์อื่นก็ไม่ชื่อว่าเป็นการห้ามพัดที่สูบกาลังฉันกับอิยะมังสว์ห้ามกับอิยะมังสว์ชื่อว่าห้ามพัดก็คือเนื้อที่ฉันได้นะกําลังฉันอยู่แล้วก็จะมีเนื้อเหลืออยู่เนี่ยแล้วเขาก็เอาเนื้ออย่างอื่นมาถวายจึ่งเป็นกับอิยะมังสารเหมือนกันแล้วก็ห้ามอันนี้ชื่อว่าเป็นการห้าม ยกจากที่นั้นแล้วก็ไปฉันอะไรอีกไม่ได้กําลังฉันกัปริยมังสะห้ามอากัปริยมังสะไม่ชื่อว่าเป็นการห้ามพัดเพราะว่าอกปริยมังสานี้ไม่ควรฉันอยู่แล้วต้องห้ามเพราะเหตุไรเพราะไม่ใช่วัตถุจึงอยู่มังสะที่พิสุควรฉันได้เท่านั้นจึงเป็นเหตุห้ามพัดแก่พิสุผู้ห้ามอยู่แต่เมื่อพิกสุรู้อกัปริยมังสะนี้จึงห้ามเสียเพราะเป็นของไม่ควร ถึงไม่รู้ก็ชื่อว่าห้ามสิ่งที่ตั้งอยู่ในฐานะที่ควรห้ามทีเดียวเพราะเหตุนั้นจึงไม่ชื่อว่าห้ามพัดถ้าเกิดไปสู่ฉันเนื้อที่เป็นกัปปิยะอยู่แล้วเขาก็เอาเนื้อที่เป็นอกัปปิยะมาให้คือเนื้อหมีเนื้อเสือเนื้องูเนื้อหมาเนี่ยนะเพราะทีไม่รู้หรอกแต่ว่าห้ามพัดนะเพราะว่าจะอิ่มแล้วนี่ก็ไปห้ามอากัปปิยะมังสาโดยที่ตัวเองไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลุกจากที่นั้นแล้วเนี่ยนะก็ยังสามารถฉันได้อีก ถ้าฉันอาหารก็ไปก็ไม่เป็นอาบัติในเรื่องการห้ามพัดเพราะว่าไม่เป็นการห้ามแต่ถ้าเธอเข้าใจว่าห้ามพัดแล้วแล้วก็ยังขืนไปฉันอยู่ก็อาบัตทุกกฎก็คือสําคัญผิดแล้วก็ยังไปฉันก็อาบัติทุกกฎเพราะเหตุนั้นจึงไม่ชื่อว่าห้ามพัดแต่ถ้าทิสุฉันอาตัะปิย ม, ม, มังสะห้ามอาตถะปิยมังสะชื่อว่าห้ามพัดเพราะเหตุไรเพราะเป็นวัตถุแห่งการห้าม ถ้าเกิดไปฉันอากัปยามังสะอยู่ก็คือไปฉันพวกเนื้อหนีเนื้องูเนื้อสุนัขเป็นอบัตทุกชแล้วก็เขาเอาเนื้อหมูมาให้ก็เลยห้ามอย่างนี้เป็นอันห้ามเพราะว่าเป็นวัตถุแห่งการห้ามจึงอยู่มังสาที่พิสูนั้นห้ามนั้นนั่นแหละเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งการห้ามพักส่วนอากัปยามังสะที่พิสูเคี้ยวกินย่อมตั้งอยู่ในฐานะที่ควรห้ามแม้ก็จริง ถึงอย่างนั้นมังสาที่กําลังฉันก็ยังไม่ละภาวะแห่งมังสาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าห้ามพัดหรือฉันอากาปิยะมังสาห้ามอากัปิยะมังส า, า, า, า, ากา็ไ ม, ชมชนะ่ชื่อว่าห้ามพัดแต่ว่าอาบัตทุกกฎเพราะฉันอากัปปิยะมังสะแล้วล่ะโดยในก่อนนั่นแลฉันอากัปปิยะมังสะก็ดีอากาปิยะมังสะก็ดีห้ามโภชนะทั้งห้าอย่างในย่างหนึ่งซึ่งเป็นกัปปิยะโภชนะชื่อว่าห้ามพัด ห้ามอากักตภิยะโพชนะซึ่งเกิดจากนิชอาชีพมีกูลัูสกรรมก็คือปทุสราชกุลเวชกรรมก็คือเป็นหมอการอวดอุตริมนุสธรรมและการยินดีรูปิยะเป็นต้นและที่เกิดจากการแสวงหาอันไม่สมควรที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจก็ไม่ชื่อว่าห้ามพัดเพราะว่าเป็นวัตถุที่ควรกับการห้ามนะแม้กาลังฉันกับปิยะโภชนะกรีอกักติยโภชนะกรี ห้ามกับปิยโคชนะเสียชื่อว่าห้ามพัดถ้าห้ามอากับปิยโคชนะก็ไม่ชื่อว่าห้ามพัดบันเด็พึงทราบเหตุในทุกๆบทอย่างนี้โดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องมีสติสัมปชัญญะในการยิจารกาะนะว่าถ้าฉันอยู่มีผู้ที่นําอาหารเข้ามาประเค้นอีกถวายอีกในหัตถบาร์นีนะเราคิดว่าจะฉันอย่างอื่นอีกหรือเปล่า ถ้าไม่คิดว่าจะฉันอย่างอื่นอีกก็ห้ามได้แต่ถ้าคิดว่ายังจะฉันอย่างอื่นอีกก็ไม่ควรจะห้ามแต่ว่าอธิบายก็ฟังมาได้หรือว่าจะห้ามก็นะแต่ถ้าจะไปฉันอย่างอื่นอีกก็ทําวินัยกรรมก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีบอกวิธีการในการทาวินัยกรรมคือทําอาหารให้เป็นเดนหรือว่าฉันอาหารเดนของพิสุป่วยไขย้บัณฑิตครั้นทราบปวชนะที่พิกจูฉันในคําว่า อสนางเป็นต้นและโภชนะที่ทายกอยู่ในหัตถบาทน้อมถวายเมื่อพิกตุห้ามจึงถึงการห้ามพัดโดยในดังกล่าวมาอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อทราบอาการที่เป็นเหตุให้ถึงการห้ามพัดพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้พึงทราบวินิจฉัยในคําว่าอสนางโภชนังนี้ก่อนทิฏสุใดกลืนกินพัดเข้าไปแม้ม็ดเดียว ถ้าพิสูจน์นั้นเมื่อบรรดาโภชนะห้าโภชนะแม้อย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ในบาดในปาและในมือที่ใดที่หนึ่งห้ามโภชนะทั้งห้าแม้อย่างหนึ่งอื่นก็ชื่อว่าห้ามพัดไม่มีโภชนะในที่ไหนไหนมีในบาเป็นต้นปรากฏแต่เพียงกลิ่นอมิตรไม่ชื่อว่าห้ามพัดเพราะฉะนั้นจะต้องมีอาหารมีพักหรือว่าโภชนะทั้งห้าเนี่ย ปรากฏอยู่ในบาท ก, ก็ตามในมือก็ตามหรือว่าในปากก็ตามเนยนะเขาเอาอาหารเข้ามาถวายถึงเป็นการห้ามพัดไม่มีโภชนะในปากในมือแต่มีอยู่ในบาทฝ่ายพิจุไม่ประสงค์จะฉันที่อาสนะนั้นประสงค์จะเข้าไปยังวิหารแล้วฉันหรือประสงค์จะถวายแต่พิจุอื่นถ้าปักิเตศโภชนะอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างนั้น ยังไม่จัดว่าห้ามพัดแม้มีโภชนะอยู่ในบาดไม่มีอยู่ในปากหรอกเพราะยังไม่ได้รับประทานยังไม่ได้ฉันไม่มีอยู่ในมือแต่ว่ามีอาหารอยู่ในบาดแต่ว่ามไม่ประสงค์จะฉันตรงนั้นจะไปฉันที่อื่นหรือว่าประสงค์จะถวายกันที่สุดอื่นเนี่ยถ้าปฏิเสธคือห้ามโภชนะที่ทายกเอาเข้ามาถวายตรงนั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นการห้ามพัดถามว่าเพราะเหตุไร ตอบว่าเพราะว่าลักษณะแห่งการฉันค้างขาดไปเพราะฉะนั้นจะห้ามพักต่อเมื่อมีการฉันแล้วแล้วอาหารก็ยังกำลังฉันคาอยู่นะยังมีอยู่ในปากหรือมีอยู่ในมือหรือว่ามีอยู่ในบาดแล้วก็ยังฉันไม่เสร็จถึงจะเข้าลักษณะของการห้ามพักเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ลงมือฉันเลยก็ห้ามประมเป็นอันห้ามในมหาปจรีกล่าวไว้ว่า แม้พิสุใดประสงค์จะไปฉันในที่อื่นกลืนพักในปากแล้วถือเอาพักส่วนที่เหลือเดินไปอยู่ห้ามโภชนะอื่นในระหว่างทางการห้ามพักแม้ของพิสุนั้นก็ไม่มีก็ถ้าว่าพิสุไม่ประสงค์จะกลืนกินโภชนะที่มีอยู่แม้ในมือหรือแม้ในปากเหมือนในบาทและห้ามโภชนะอื่นในขณะนั้นไม่ชื่อว่าห้ามพั จึงอยู่ลักษณะที่กล่าวไว้แล้วในบทเดียวเป็นลักษณะที่บันบิตควรทราบในทุกๆบทก็คือว่าขึ้นอยู่ความตั้งใจว่าจะฉันต่อในขณะนั้นไหมถ้าไม่คิดว่าจะฉันต่อในที่นั้นก็คือยังมีอาหารอยู่ในบากแล้วก็ประโค์จะไปฉันในที่อื่นกลืนพับในปากไปแล้วละ่ะลงมือฉันแล้วแต่ว่ากลืนพับในปากไปแล้ว เอาส่วนที่เหลือที่อยู่ในปากเนี่ยเดินไปอย่างที่อื่นมีคนเอาเข้ามาถวายแล้วก็ห้ามโภชนะอื่นในระหว่างทางอันนี้ก็ไม่เป็นการห้ามพักนะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกก็คือที่สุไม่ประสงค์จะ ก, กลืนกินโภชนะที่มีอยู่ในมืออ่าตอนนี้ถือไและในมือหรือว่าแม้ในปากอมอยู่ในปากนี่นะแต่ว่าไม่คือหรอกตั้งใจอดิษฐานว่าระหว่างเดินทางไป น, นี้จะไม่กลืนมีคนเอาอาหารมาให้ระหว่างทางยกมือห้าม ก็ไม่เป็นการห้ามผัดนะเพราะไม่ประสงค์จะเกินมีเจตนาในการที่จะไปฉันอย่างที่อื่นอันนี้ในมหาปัญจรียแสดงจริงอยู่ลักษณะที่กล่าวไว้ในบทเดียวนั่นแหละเป็นลักษณะที่บัณฑิตควรทราบในทุกๆบทอีกอย่างหนึ่งในกุรุนทีก็ได้แสดงในนี้ไว้เหมือนกันทั้งปัญจเรียและกุรุนทีสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ในกุรุนทีนั้นว่า พิสุกลืนพัดในปากแล้วพระสงค์จะให้พัดในมือแก่คนกินเดนพระสงค์จะให้พัดในบาทแก่พิสุถ้าห้ามโพชนะอื่นในขณะนั้นไม่ชื่อว่าห้ามพัดก็ยังฉันได้อีกนะลุกไปจากที่นั้นแล้วก็ยังสามารถฉันได้อีกเพราะว่าได้เปการห้ามพัดแล้วเพราะาตัดใจในขณะนี้แล้วว่าจะไม่ฉันกลืนพัดในปากไปแล้ว ก็ในคำว่าหัตถปาเสติโตนี้วิธีใช้ดังนี้ประมาณสองศอกครึบก็คือร2อยี่สิบห้าเซนนี้นะพึงทราบว่าหัตถบาทถ้าพิกษุนั่งกาหนดตั้งแต่เริมสุดด้านหลังของอาสนะไปเริมสุดด้านหลังของอาสนะถ้ายืนกาหนดตั้งแต่ที่สุดส้นเท้าไปถ้านอน กำหนดตั้งแต่ที่สุดด้านนอกแห่งสีข้าวที่นอนไปด้วยที่ตุดด้านในแห่งอวิวะที่ใกล้กว่าเว้นมือที่เหยียดออกของทายกผู้นั่งอยู่ก็าตามยืนอยู่ก็าตามนอนอยู่ก็าตามก็คือยกเว้นมือที่เหยียดออกเพราะฉะนั้นเอาอายุวะด้านในของทายกแต่ว่าของเจ้าพิตุผู้รับประเคนั้นเอาที่ตุดด้านหลังก็คือถ้ายืนก็เอาส้นเทา้าถ้านอน ก็เอาสีข้างด้านหลังถ้านั่งก็เอาข้างหลังอาสนะนั่นแหละที่สุดด้านหลังว่าอาสนะอันนี้ก็หัตถบาศเหมือนกับการรับประเพณเหมือนกับรับประเพณแต่ถ้าหัตถบาศของการลงอุโบสถนั้นอีกเรื่องหนึง่งอันนั้นจะใกล้กว่าน้อยกว่านี้การห้ามพัดย่อมมีแก่พิจูผู้ห้ามโพชนะที่ทายกอยู่ในหัตถบาศนั้นน้อมถวายเท่านั้นนอกจากนั้นไปหามีไมถ้าเกิดเขา อ า, อาหารเข้ามาแต่อยู่ห่างเกินกว่าหัตถบาตคือประมาณสองศอกครึบที่สุห้ามก็ไม่ชื่อว่าเป็นการห้ามเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าหลักก็คือข้อที่หนึ่งโภชนะปรากฏก็คือมีโภชนะห้ามขนมสดขนมแห้มปลาเนื้อแล้วก็ข้าวสุกอันที่สองก็ฟังสู่ฉันพ้างอยู่คือยังฉันไม่เสร็จถ้ายังไม่ได้ฉันหรือว่าฉันเสร็จแล้วก็ไม่เข้าองค์ต้องกําลังฉันค้างอยู่อันที่สองโภชนะ หนปรากฏอันที่สามทายกอยู่ในหัตถบาสองสอบคืออันทสี่ทายกมีการน้อมเข้ามาถวายด้วยแล้วก็อันที่ห้าที่สุใช้มือหรือว่าใช้วาจาก็ได้แต่ห้ามถึงจะเป็นการห้ามพัดต้องมีองค์ห้านี้ต่อไปบทว่าอาภิหารติมีความว่าทายกอยู่ภายในหัตถบาน้อมโภชนะเข้าไปเพื่อรับกระเทน ก็ถ้าว่าพิกษุผู้นั่งถัดไปไม่นําบาต ท, ที่อยู่ในมือหรือที่วางอยู่บนตักหรือบนเชิงรองออกไปเลยกล่าวว่านิมนท่านรับพัตนาหารคือภิกษุผู้ที่นั่งถัดไปหมายถึงพิสุที่จะเอาอาหารถวายภิกษุรูปหนึ่งบอกกับภิกษุอรูปหนึ่งว่านิมนท่านรับพัฒาหารโดยที่ไม่ได้นาบาต ท, ที่อยู่ในมือหรือวางอยู่บนตัก คือว่าหยุดบนเชิงรองบ่าออกไปเลยเมื่อพิสุปฏิเสธพัดนั้นไม่เป็นการห้ามพัดเพราะว่าพิสุรูปอื่นไม่ได้น้อมขมาถวายไม่มีอาการน้อมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับการรับประเคนเหมือนกันก็คือเขาต้องน้อมขมาถวายอาการน้อมนั้นก็คือแสดงวินยักษ์นั่นแหละแสดงวินยักษ์ใหปรากฏแต่ว่าเขาบอกแต่ปากไม่ได้มีการแสดงการน้อมขมาไม่มีการแน้ำวินยักษ อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการรับประเคนหรือว่าเป็นการห้ามพัดไม่ใช่เป็นองค์การห้ามพัดแม้ในทายกผู้นำกระเช้าพักมาวางไว้บนพื้นข้างหน้าแล้วกล่าวว่านิมนทนรับเถิดก็ในนี้เหมือนกันแต่เมื่อเขาขยับยกขึ้นหรือน้อมเข้าไปหน่อยหนึ่งกล่าวว่านิมนทนรับเถิดเมื่อพิสูจน์ปฏิเสธก็จัดวัาเิการห้ามพัด พระเถระนั่งอยู่บนเถระอ่าจทรงบาไปให้แก่พิสุนุ่มผู้นั่งอยู่ในที่ไกลกล่าวว่าเธอจงรับเอาเข้าวุกจากบาหนี้ฝ่ายพิสุผู้รับบาไปก็ยืนนิ่งเฉยเสียพิสุนุ่มห้ามว่าผมพอแล้วไม่ชื่อว่าห้ามพัดเพราะเหไรเพราะพระถเถระอยู่ไกลคือไม่ได้อยู่ในหัตถบาพระเถระไม่ได้อยู่ในัตบา และเพราะทูตไม่นำไปให้แลก็คือทูตก็ไม่ได้น้อมเข้ามาถวายเพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าองค์สองอย่างเลยนะก็คือพระเถระผู้ที่กล่าวให้ไม่ได้อยู่ในหัตถบานส่วนทูตที่เข้ามาเนี่ยอยู่ในหัตถบานแล้วแต่ว่าไม่ได้น้อมเข้ามาถวายไปยืนนิ่งอยู่พระนิจโหนุ่มก็บอกว่าผมพอแล้วก็เป็นการห้ามด้วยวาจา แต่ไม่ชื่อว่าเป็นการห้ามพัดเพราะว่าไม่ได้องค์ขาดองค์ที่อยู่ในฮัตบาศกับคาดองค์ที่น้องเข้ามาถวายถ้าภิกษุผู้รับบาศมากล่าวว่าท่านจงรับพัดนี้ตอนนี้อยู่ในฮัตบาบแล้วแล้วก็กล่าวด้วยว่าท่านจงรับพัดนี้เมื่อภิกษุหนุ่มปฏิเสธพัดนั้นจักเป็นการห้ามพัดกพราะว่าอาการเดินเข้ามานั่นแหะ เป็นการนำมาถวายแล้วก็อยู่ในัฐบาทด้วยเพราะฉะนั้นท่าปฏิเสธก็เป็นการห้าในสถานที่อังฆาทายกคนเดียวอังฆาทิสุรูปเดียวมือข้างหนึ่งถือกระเช้าข้าวสุกอีกข้างหนึ่งถือทับทีถ้าในสถานที่อังฆานั้นมีคนอื่นมาพูดว่าข้าพเจ้าจะช่วยถือกระเช้าท่านจงถวายข้าวสุกแล้วทากิจเพียงจับเท่านั้น ก็ทายกผู้อังคาสนั้นเองยกกระเช้าเข้าุกนั้นเพราะฉะนั้นกระเช้านั้นจัดว่าอันเขานำมาจาเพาะแท้ก็คือน้อมเข้ามาแล้วจัดว่าเป็นการห้ามพัดเหมือนกันแต่ที่จุผู้ห้ามคนอังคาผู้ถือพัดจากกระเช้านั้นด้วยเป็นผู้มีความต้องการจัดถวายพัดถ้าผู้อังคาเพียงแตกต้องกระเช้าเท่านั้น คนน้อกนี้แหละช่วยยกกระเช้าขึ้นไม่จัดว่าเป็นการห้ามพัดคือผู้ที่อังคาสเนี่ยเพียงแต่ว่าแตกต้องกระเช้าแล้วก็คนน้อกนี้ช่วยยกขึ้นถ้าห้ามก็ไม่เป็นการห้ามแต่ที่ตุผู้ห้ามคนอังคาซึ่งถือพัดจากกระเช้านั้นด้วยเป็นผู้มีความต้องการจัดถวายแต่พอเขาเอาทัพทีตัดพัดคือทั้งคนยกก็ยกเฉย แล้วก็คนจะถวายก็แตกและเช้าเวยยังไม่มีการน้อมเอาพัดเข้ามาถ้าห้ามไม่เป็นการห้ามพัดแต่พอเขาเอาทับทีตักพัดก็คือเอาทับทีตักข้าวขึ้นม า, าพระมิจุห้ามก็ชื่อว่าเป็นการห้ามพัดเหมือนกันการห้ามพัดย่อมมีแก่พิจุผู้ห้ามแท้จริงการน้อมเข้ามาโดยตรงด้วยทัพทีนั่นแหละจัดเป็นการน้อมถวายพัดนั้น ในมหาปัญจลีกล่าวว่าเมื่อพิสุปฏิเสธแม้ในพักที่คนสองคนช่วยกันยกก็ยอมชื่อว่าห้ามพัดเหมือนกันเมื่อทายกถวายพัดแกภิสุผู้นั่งถัดไปภิสุอีกรูปหนึ่งเอามือปิดบาทไม่เป็นการห้ามพัดเพราะเหตุไรเพราะห้ามพัดที่เขาน้อมถวายพิสุรูปอื่นแม่เการห้ามต้องถวายตัวเองถ้าปิดบา่าอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการห้ามถ้าเขาอยู่ในตบาบ ในคําว่าปาติเคโปปัญญายตินี้พึงทราบไวิธีชัยว่าที่สุปฏิเสธพัดที่เขาน้อมถวายด้วยวาจาไม่จัดเป็นการห้ามพัดแต่ที่สุปฏิเสธด้วยกายหรือด้วยวาจาด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งพัดที่เขาน้อมถวายด้วยกายจึงเป็นการห้ามพัดเพราะฉะนั้นถ้าเขาถวายด้วยวาจาแล้วห้ามนี้ยังไม่เป็นการห้ามพัด เพราะว่าเขาไม่ได้น้อมมาด้วยการยวยินยัตในที่นี้ต้องแสดงกายยกยินยัตไม่ใช่ว่าชีวิน ญ, ญัตบอกว่าผมขอถวายอาหารที่วางไว้ตรงนั้นแหละบอกว่าอาตมาไม่เอาแล้วอมาพอแล้วอันนี้ก็ไม่ถือการห้ามพัดแต่ถ้าเกิดเขายกแล้วก็น้อมเข้ามาถวายแล้วก็พิสุกห้ามอันนี้ถึงจะเป็นการห้ามพัดในการห้ามด้วยกายและวาจานั้นที่ชื่อว่าการห้ามด้วยกายก็คือ พิสุสูจนนิ้วมือหรือใช้มือพัดไล่แมงวีหรือชายจีวรกระทำอาการด้วยคิ้วหรือว่าโกรธแลดูจะใช้นิ้วมือก็ตามจะใช้มือพัดเหมือนกับไล่แมงวีหรือว่าเอาชายจีวรนโบกไปโบกมาทาาําอาการด้วยคิ้วาอาการด้วยคิ้วปฏเสธก็ได้นะหรือว่าทําโกรธถลึงแลดูเนี่นะไม่เอาแล้ว แต่ว่าไม่พูดหรอกอันนี้เรียกว่าเป็นการห้ามด้วยกายที่ชื่อว่าห้ามด้วยวาจาคือที่สุกล่าวว่าพอแล้วหรือว่าอาตมาไม่รับหรือว่าอย่าเทลงหรือว่าจงถอยไปไล่ไปเลยอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการห้ามด้วยวาจาเมื่อพิตุห้ามพัดด้วยกายคือด้วยวาจาด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการห้ามพัด จบลงก็ครบองค์ห้าเลยนะองค์ห้าก็คืออะไรบ้างการฉานปรากฏก็คืออัสนังอัสนังละเป็นเรืการฉันอยู่โภชนะปรากฏก็คือว่าโพชนามโภชนะห้าไหสามก็ทายกอยู่ในหัตถบาศ ท, ทายกอยู่ในหัตถบาศนี่ก็ทายกกรสะหัตถปาเสดานังหัตถปาเสยิโตเนี่ยยืนอยู่ในหัตถบาศ แล้วก็อันที่สี่ก็ทายกน้อมเข้ามาถวายก็คืออภิหารติอภิหารติแปลว่าการนําเข้ามาเฉพาะหารติแปลว่านําไปนะอภิก็แปลว่าเฉพาะการนําเข้าไปเฉพาะคือน้อมมาถวายนั่นเองแล้วก็อย่างที่ห้าก็คือการห้ามพัดปราบดได้แก่ปฏิเขปโปปัญญายติเป็นการห้ามพัดด้วยกายหรือว่าด้วยวาจาแต่ว่าเขาต้องถวายด้วยกาย ห้าด้วยกายด้วยวาจาจึงจะเป็นการห้ามถ้าเขาถวายหรือวาจานั้นแม้ห้ามด้วยกายหรือด้วยวาจาก็มีเป็นการห้ามวันนี้ก็ได้เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ศึกษาพระธรรมวินยัยโดยเฉพาะพระวินยัยเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นรากเน่เน า, นนานของพระศาสนาโดยเฉพาะพระพิทธเแต่ถ้ากระดับรู้ไว้ด้วยก็ดีมากมันก็ขอให้เป็นผู้ที่ทรงคําสอนทรงพระวินยัยทรงศีลศึกษาพระธรรม ก้าสูดด้วยกราพิธรมด้วยแล้วก็น้อมไปในการที่จะปฏิบัติก็ย่อมจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้สักวันหนึ่งก็ขอให้ได้กระทาที่สุดทุกขโดยเร็วคััทน่เถิดสาธุสาธุสาธุ